ก็ขอโมทนากระที่ได้มาหยุดงานหรือว่าลางานมาเพื่อต้องการอยากจะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องการอยากจะรู้และเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริ ง, รงเพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตามหลักที่เราสวดมนต์ไหว้พระกันที่บอกว่าพุทธังสาระนังฆะฉามิธรรมังสาระนังฆะฉามิสังขังสาระนังฆะฉามิเนี่ยโดยหลักตรงนั้นก็หมายความว่า ข้าพเจ้าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตข้าพเจ้าขอมีพระธรรมเป็นหลักในการดําเนินชีวิตข้าพเจ้าขอมีพระสงฆ์เป็นหลักในการดําเนินชีวิต <inteiro> <x atur> ใช่ไหมบางท่านบางท่านท่านจะแปลว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าที่จริงก็คือเป็นหลักในการดําเนินชีวิตนั่นเอง ทีนี้ถ้าหากเรามีพุทธธรรมะและสังฆะเป็นหลักในการในการดำเนินชีวิตได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเวลาใดแล้วหลุดออกจากพุทธธรรมะสังฆะออกจากหลักคือศีลสมาธิปัญญาเวลานั้นเขาเรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมหลักการคืออย่างนี้ทีนี้กระแสชีวิตของเราเนี่ยเรื่องของหมูสัตว์เนี่ย ที่จะให้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตหรือเกิดขึ้นในชีวิตจิต ใ, ใจเราได้จริงๆอย่างติดต่อและต่อเนื่องเนี่ยโดยชนิดที่ไม่หลุดจากศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหรือไม่หลุดจากศีลสมาธิปัญญาเลยได้จริงๆเนี่ยอันนั้นนะ่ยต้องมีความสามารถต้องมีความสามารถที่เรียกว่าต้องมีกําลังของสติเนี่ยค่อนข้างดีสติที่บอกว่า ดึงตรึงหรือจับหรือระลึกได้เนี่ยระลึกได้ตามระลึกได้เนี่ยคำว่าระลึกในที่นั้นก็หมายความว่าเป็นตัวปิดกั้นด้วยก็ปิดกั้นก็คือปิดกั้นไม่ให้บาปคือราคะโทสะโมหะไหลเข้าสู่จิตและในขณะเดียวกันก็คือปิดกั้นไม่ให้ศีลสมาธิปัญญาหลุดออกไปจากกระแสชีวิต <c oughs> สติมันเลยเป็นทั้งป้องกันด้วยก็รักษาด้วย ป้องกันไม่ให้ราคาความกำหนัดโทสะความกโกรธและก็โมหะความมืดบอดไหลเข้าสูส่กระแสชีวิตรักษาไม่ให้ศีลสมาธิปัญญาหลุดลอยไปจากชีวิต <c oughs> หลักการนี้เนี่ยนิมเอินมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ใช้สติกันไม่ค่อยเป็นเมื่อใช้สติไม่เป็นบางคราวก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบางคราวก็หลุดลอยจากศีลสมาธิปัญญาไปให้โลภโทสะโมหะ นำพาหรือเป็นหลักในการนำกระแสชีวิตเวลาใดกระแสชีวิตถูกความโลภความโกรธความหลงชักพาทำให้เขว้ไปแม้ขณะใดขณะหนึ่งชื่อว่าในขณะนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเวลาใดกระแสชีวิตนั้นน่ะยังมีความแข็งแรงมั่นคงอยู่ในศีลพฤติกรรมที่เป็นไปกับศีลสภาพจิตใจที่เป็นไปกับสมาธิแล้วก็ทัศนความเห็นเป็นไปกับปัญญาในขณะนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรม เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่มนุษย์ก็มองไม่ออกว่าเวลานี้ปฏิบัติธรรมเวลานี้ไม่ปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะสตินั้นฟั่นเฟือนเลือนหลงเหตุผลที่สติฟั่นเฟือนเลือนหลงเพราะอะไรเพราะสติไม่มีกําลังที่สติไม่มีกําลังเพราะอะไรสติไม่มีอาหารอ่ะทำไมสติถึงไม่มีอาหารเพราะไม่มีวิธีการจะให้อาหารของสติใช่ไหมเพราะไม่มีรู้ก็ยุ่งไม่ไม่ใช่สติตัวเดียวสิทีนี้ มันกระเทือนไปถึงศรัทธาเด้วศรัทธาก็าแปลว่าความเชื่อมั่นใช่ไหมเพราะศรัทธาไม่ได้อาหารศรัทธาก็อ่อนแอก็ไม่มีความเชื่อมั่นว่าเออเราจะดําเนินชีวิตยังไงก็ลังเลสงสัยจะทํำยังไงกับชีวิตดีเนี่ยจะเอายังไงดีเนี่ยเวลานี้ทําอย่างนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้ก็แยกกันบางคนก็แยกกันเลยเอา้าเวลานี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก่อนขออาบน้ําก่อน เวลานี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก่อนขอกินข้าวก่อนเวลานี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก่อนขอไปตลาดก่อนเวลานี้ยังปฏิบัติไม่ได้ก่อนขอไปทํากิจการงานอื่นๆก่อนมันก็เลยแยกระหว่างปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติในความเข้าใจของมูสัตว์เป็นแบบนี้แต่ในคําสอนของพทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าในการก้าวไปถอยกลับและตรงแรเหลียวคู่เข้าเหยียดออก ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนในการเดินในการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งพระองค์สอนว่าให้มีสติสัปพัญญาในฐานะเจ็ดก็แปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าทุกการเคลื่อนไหวอิริยาบถในการประกอบกิจกรรมของชีวิตนั้นอย่าให้สติหลุดลอยไปจากกระแสชีวิต ถ้าเวลาใดสติสัมปชัญญะหลุดลอยไปจากกระแสชีวิตเวลานั้นเรียกว่าไม่ปฏิบัติเวลาใดสติสัมปชัญญะมากํากับอยู่ในกระแสชีวิตชื่อว่าเวลานั้นปฏิบัติ <c oughs> ใช่ไหมนี่คือหลักการต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนพอเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่แยกบางคนก็ยังแยกว่าระหว่างทางโลกทางธรรมก็แยกกันไปแท้ที่จริงแม้จะไปทํางานทางโลกก็ใช้กระแสชีวิตนี่แหละทา แม้จะทํางานที่เรียกว่าทางธรรมก็ใช้กระแสชีวิตนี่เป็นการทําแม้กระทํางานทางโลกที่เราเรียกกันก็ต้องใช้สตินี่แหละสัมปชัญญะหรือเป็นตัวกํากับทีนี้สติสัมปชัญญะเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกธรรมะคือสติคือธรรมชาติที่ระลึกได้ตามระลึกได้หรือธรรมชาติที่ดึงตึงหรือจับดึงก็คือดึงมาดึงไว้ดึงมาอย่างไร ย, ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เคยเห็นมาแล้วเคยได้ยินมาแล้วเคยได้กลิ่นมาแล้วเคยลิ้มรสมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วเคยกระทํามาแล้วทางกายทางวาจาทางใจที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเรื่องเหล่านั้นไปอยู่ในความทรงจําของเราสัตว์ใช่ไหมถ้าเราต้องการอยากจะรู้เรื่องนั้นทําไงต่อก็ดึงใช้อะไรดึงสติ <c oughs> นี่ก็เลยดึงมาดึงมาให้ใจได้รับรู้ให้ปัญญาได้สอบสวนอย่างนี้ก็เลยใช้สติในการดึงดึงมานะนี่ดึงมา <c oughs> เราต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้ที่เราเคยเก็บไว้ในความทรงจําทั้งหลายยาวนานทั้งหมดเรื่องเหล่านั้นมันยังอยู่ในความทรงจําภาษาพระเรียกว่าสัญญาความจําได้ไหมายรู้นั้นคนที่มีสัญญาที่มั่นคงจึงเป็นเหตุหตใกล้ของสติก็สามารถดึงเรื่องนั้นเข้ามาสอบสวนมาตรวจสอบมาใคร่ควรมาแยกแยะมาวิจัยได้อย่างนี้เขาเรียกการใช้สติเป็นเขาเรียกดึงมาเคยเป็นไหมดึงมาใช่บางคนน่ยดึงไม่มา คือจาไม่ได้มันดึงแล้วมันไม่มาไม่รู้จะดึงอะไรเพราะมันจําไม่ได้เหตุผลเพราะตอนนั้นในขณะที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆเราไม่ได้มาร์คเครื่องหมายไว้ไม่ได้ทำเครื่องหมายเรื่องนั้นก็ไว้เพราะไม่ได้ทำเครื่องหมายเข้าไว้มันก็เลยจําไม่ได้ฉะนั้นการดึงอย่างนี้ก็ดึงมาให้ปัญญาได้สอบสวนได้วิจัยแยกแยะอภการต่อมาก็ดึงไว้ ดึงไว้ก็ดึงมาไม่เหมือนกันดึงไว้เช่นเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่เฉพาะหน้าเราไม่ต้องการให้เรื่องนั้นมันผ่านเลยไปเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เราก็เลยใช้สติในการดึงไว้ตรึงไว้จับไว้อันเนื้อเดียวกันนี่คือสติสติมันทำงานแล้วเอายกตัวอย่างเช่นเจเริญอาณาปณสติ อันนี้ไม่ใช่ดึงมาแล้วนี่เข า, เาดึงไว้ใช้สติในการไประลึกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลักษณะนี้เขาเราียกดึงไว้ไม่ให้ตรึงไว้และจับไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นหรือสิ่งที่ต้องการอยากจะให้จิตรับรู้หรือเพื่อให้เกิดสมาธิตั้งมั่น ให้เกิดปัญญาเข้าไปสอบสวนนั่นะมันหลุดลอยไปก็เลยใช้คํามาดึงไว้ไม่ให้มันหลุดลอยไปเนี่ยก็เรียกว่าการใช้สติเป็นนี่เริ่มจะเข้าใจคํามาดึงมาดึงไว้อย่างเยถ้าพูดอย่างเนี้ยมันเป็นภาษาเราหน่อยถ้าพูดภาษาของอาตมของภาษาพราะนี่เดี๋ยวสติธรรมชาติเทลลึกได้ตามระลึกได้ในกิจที่ทำในคาที่พูดแม่นานได้โอ้โหยิ่งงงใหญ่ใญ่ใช่ไหมอันอย่างลักษณะของสติเป็นอย่างนี้ กิจของสติก็คือทําลายความบอดความรุ่มหลงอาการของสติก็คือว่าผลปรากฏของสติก็คือสามารถระลึกได้อย่างมั่นคงเหตุใกล้ของสติก็คือทิฏฐาสัญญาปทัฏฐานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้เดายอมโอ้โหใช้ศัพท์มากๆเดายอมงงก็เลยเอาละใช้แบบนี้ก็แล้วกันก็ดึงมาก็ดึงวานทั้งนี้พอเห็นไหมนะแต่ทำให้เข้าใจชัดขึ้นทีนี้ที่จะพูดต่อตรงนี้ก็คือศรัทธา วิรยิยะสติสมาธิปัญญาเราเคยได้ยินกันว่าอินสีห้าถ้าศรัทธาก็เป็นใหญ่ในความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในความดีเป็นต้นวิริยะก็เป็นใหญ่ในความแกล้ากล้าอาฐานเพียนก้าวไปใจสู้สติก็เป็นใหญ่ในการระลึกหรือในการดึงในการตรึงในการจับนี่เป็นใหญ่ถ้าสมาธิก็เป็นใหญ่ในการตั้งมั่นกาจัดความฟาุ้งซ่าน ถ้าปัญญาก็เป็นใหญ่ในความรอบรู้ใช่ไหมความรู้ความเข้าใจเนี่ยพูดเรืงอินทรีย์ทีนี้ใน5ตัวเนี่ยสภาวธรรมที่ห้าตัวเนี่ ย, ยโดยส่วนใหญ่เวลาพระเจ้าแสดงธรรมพระเจ้าจะแสดงทั้งชุดแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเรามาปฏิบัติกันเราเก็บมาไม่ครบชุดนี่คือปัญหามันก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่รุดหน้าเขาเรียกว่าใช้ธรรมะไม่ครบชุดบางคนใช้แค่ศรัทธา บางคนใช้แค่ความเพียรบางคนใช้แค่สติบางเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับพรหมวิหารเนี่ยเวลนเราเราจะศึกษาปฏิบัติกันก็ใช้แค่เมตตาการุณาเงี้ยหรือเมตตากับการุณนเพราะไปถึงมุทิตาไปไม่เป็นคนไทยเนียเพราะอุเบกขาด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องมันเยอะมากในการเรนีที่จะต้องมาทําความเข้าใจในธรรมะเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทําไมต้องมาทําความเข้าใจก่อนเราปฏิบัติธรรมะทาไมมันไม่รุดหน้ามันไม่เจริญเพราะอะไร มันใช้ธรรมะไม่ครบชุดพอใช้ธรรมะไม่ครบชุดขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการปฏิบัติมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้นเอาละเอามาจะไม่ไปเรื่องอื่นก่อนที่พอพูดถึงเรื่องอินสียห้าทีนี้ในห้าตัวเนี่ยห้าสภาวธรรมเนี่ยบางทีท่านเรียกพระห้าเคยได้ยินไหมอินสี่ห้าพระหา้าเออมต่างกันยังไงตัเนี่ยถ้าพระห้าก็าเรียกว่าพระนี่แปลว่ากําลังใช่ไหม ถ้าศรัทธาพระเนี่ยกำลังคือความเชื่อมั่นไม่ใช่เรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องเป็นใหญ่แต่พูดเรื่องกําลังเรื่องพลังถ้าวิริยะพระเนี่ยกำลังในความเกล้ากล้าอาถารเนี่เป็นกําลังถ้าศรัทธาพระกําลังในความเชื่อมั่นกําจัดอะไรกําจัดอสัตถยะความไม่มีศรัทธาหายไปเพราะเขามีกําลังเมื่อเขามีกําลังเ้าก็กําจัดธรรมะที่ตรงกันข้ามธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คืออสัตถยะความไม่มีศรัทธา ความไม่มีศรัทธาความไม่แข็งแรงความไม่มั่นคงในพระธรรมตรัยยังมีจิตใจหวั่นไหวในคุณของพระเจ้าประทานประสงค์ยังหวั่นไหวในคุณความดียังหวั่นไหวไม่เชื่อมั่นศักยภาพตนเองว่าจะสามารถขวนขวายไปสู่ความพ้นทุกได้จริงยังหวั่นไหวอยู่เนี่ยไอกรณีนี้ก็เรียกขาดอะไรขาดศรัทธาพระละไม่มีความยังหวั่นไหวอยู่นั้นหลายๆคนถ้งยังมีความหวั่นไหวอยู่นี่บ่งบอกได้เลยว่าศรัทธาไม่มีกําลังพอก็ยังหวั่นไหว มันจะได้หรือสงสัยไม่ได้เราแก่ไปเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราคงทำไม่สำเร็จเ อ, อเยอะแยะหมดเลยอันนี้แปลว่าอะไรยังหวั่นไหวไม่เชื่อมั่นถ้าพระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีพอจะเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาจนถึงเบิกขาวโอ้จะไหวหรือตอนนี้จะไม่มีพุทธเจ้าถ้าภาษาลีบท จะบำเพ็ญเพื่อให้ได้หนึ่งสงไขเวื่อจะเป็นภาษาลิบุตรถ้าท่านบอกโอ้ไม่ไหวคงไม่ไหวแล้วมั้งก็คงไม่มีภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะหรือพระอานอนท์หรือบุคคลที่เป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เขาทําลายอาสัตยะความไม่เชื่อมัน่นให้หมดสิ้นลงไปได้ตรงนี้เราก็ต้องมาสังเกตว่าอะไรหนอเป็นเหตุทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นจุดหมายใดๆก็แล้วแต่อ๋อมันขาดตัวความเชื่อมัน่น ก็คือศรัทธาไม่มีไม่เป็นภาระมันเป็นแค่ศรัทธาปกติกับภาวนาศรัทธามันไม่เหมือนกันนะถ้าภาวนาปกติก็คือเป็นคนมีความเชื่อมั่นแบบพื้นๆเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถหากินเองได้ หุงข้าวกินได้ทํากิจการงานได้ทํากิจกรรมต่างๆที่มันเป็นพื้นฐานเรียนทำเรียนหนังสือได้เรียนธรรมะได้พื้นฐานแบบนี้ยังเชื่อมั่นอยู่มันเป็นศรัทธาธรรมดาเราไปให้ทานได้ไปฟังธรรมเป็นปกตินี่ได้แต่ถ้าบอกว่าเราจะรักเราจะเรียนคําสอนของพระเจ้าเราจะเจริญศีลสมาธิ ป, ปัญญาที่ยังเราเชื่อมั่นว่าเราจะทําศีลสมาธิ ป, ปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูญยิ่งๆขึ้นไปเป็นให้ติดต่อและต่อเนื่องให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้อย่างนี้เขาเรียกภาวนาศรัทธาเนาะศรัทธาที่มันเข้าถึงความเจริญเข้าถึงความมีเกิดติดต่อได้จริงๆไม่ใช่ศรัทธาเป็นพักๆหรือศรัทธาเป็นปกติอย่างคนทั่วๆไปอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่เป็นปกติกับศรัทธาที่เป็นภาวนาก็ต่างกันวิริยะ ถวิรยิยะถ้าเป็นวิริยะปกติไม่สามารถทำลายโกสัจฉะคือความเกียจค้านได้โกสัจฉะอกุศลคือความเกียจค้านแต่ถ้าเป็นศรัทธาที่เป็นภาวนาเออถ้าเป็นวิริยะที่เป็นภาวนาวิรยิยะสามารถทำลายโกสัจฉะอกุศลได้ทั้งหมดโกสัจฉะอกุศลเนี่ยการผัดวันประกันพุ่งการคิดว่าร้อนเกินไปยังไม่ต้องเจริญกุศลตอนนี้ก่อนพัก เย็นเกินไปยังไม่ต้องเจริญกุศลก่อนพักเหนื่อยเกินไปยังไม่ต้องเจริญกุศลก่อนพักหิวเกินไปยังไม่ต้องเจริญกุศลก่อนขอพักเราเดินทางมาเหนื่อยๆนื่อยยังไม่ต้องฟังธรรมก่อนพักโอ้เราเพิ่งเราจะเดินทางในวันพรุ่งนี้อยากนั้นเลยเตรียมตัวก่อนอย่าเพิ่งเจริญกุศลก่อนพักอะไรเนี้ยรายละเอียดมันเยอะมากไอ้กรณีอย่างนี้เาเรียกโกศะอกุศลมันต่อรองตัวเองตลอด เนี่ยกรณีแบบนี้ถ้ามีภาวนาวิริยะแล้วจะทำลายโกศะอกุศนการผัดวันประกันพรุ่งให้หมดไปจากกระแสความคิดและไม่ใช่เชื่อมั่นแค่นั้นนะถ้าเป็นภาวนาวิริยะจะมีความเชื่อมั่นว่าบาปอากุเสรธรรมมันชั่วร้ายทุจริตทั้งหลายอาุศลทั้งหลายบาปอากุศสรธรรมทั้งหลายที่เคยเกิดมีในกระแสชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นกายยะทวดเจเดตวจีทวจริตบาปอกเสลกรรมมันชั่วลายทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราที่ผ่านมานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้บาปอกเสลธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายกลับมาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ไอความกล้ากล้าอาถรรพ์ในการที่จะตั้งมั่นใจสมาทานในใจแบบนี้นี่เขาเรียกว่าภาวนาวิริยะมีความเด็ดเดี่ยวไม่เอาเลย บาปที่เคยเกิดมันชำนาญอยู่แล้วจะไม่ให้บาปชนิดนั้นหัวนเข้ากับกระแสชีวิตเราอีกเช่นเคยโกรธเคยจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นเคยเครียดเคยวิตกกังวลเคยลังเลสงสัยเคยทําอะไรมาที่มันเป็นบาปเคยเกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราเนี่ยตั้งมั่นเลยบอกเลิกคบ <c oughs> จะไม่ให้บาปชนิดนั้นไหลเข้าสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่ตั้งมัน่นันาดนั้นจนกว่าจะถึงซึ่งความพนทุกข์ <c oughs> ตาพรทธิจานี่ชัดเลยเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีทําไมได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจักไม่ทําลายบรลลังก์โอ้เนี่ยความเพียรอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ชัดชัดมากนี่คนที่แกล้งกล้าอย่างนี้ก็เรียกภาวนาวิริยะภาวนาวิริยะมีความและไม่ใช่แค่นั้นบางคนสมาทานว่าบาปเก่าทุจริตเก่าอคุิแลการกรรมเก่าที่เคยเกิดไม่ให้เกิดนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกบาปใหม่ทศจริตใหม่อกุศลใหม่ที่เราไม่เคยทําแต่เราเคยรู้เคยเห็นเคยได้รับทราบจากคนอื่นที่เขาก็ทําแม้บาปชนิดนี้ก็จะไม่ให้เกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกโหปิดหมดเลยปิดทั้งบาปเก่าปิดทั้งบาปใหม่ที่มันจะมาเกิดเขาเรียกปฏิเสธไว้ก่อนปิดกั้นไว้ก่อนบอกว่าไม่เอา คุณไปยุ่งกับกระแสชีวิตอื่นแต่ห้ามมายุ่งกับกระแสชีวิตนี้เพราะกระแสชีวิตนี้ความเพียรเป็นใหญ่แล้วความเพียรมีกําลังแล้ววิริยะเป็นใหญ่วิริยะมีกําลังวิริยะเป็นภาวนาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะทําวิริยะภาวนาให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องคุณออกไปถอยออกไปจากชีวิตนี้เด็ดขาดฉนันเลิกคบคุณฉนันจะไม่ใจอ่อนเด็ดขาด่ไอย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้ก็เชัด ไม่ใช่แค่นั้นทีนี้แต่ก่อนเวลาเราจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาเวลาจเจริญกุศลเนี่ยเราก็จเจริญแบบแบบไปไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดเดี๋ยวพักเดี๋ยวไม่พักเดี๋ยวพักเดียเด๋ยวก็ไม่พักสมาทานเลยบอกว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะดำเนินไปตามทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาให้ติดต่อและต่อเนื่อง ไม่ให้ศีลสมาธิปัญญาหลุดไปจากกระแสชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์โอ้โหชัดเลยใช่ไหมเออทีเนี้ยนั้นกุศลแต่ก่อนเราทําแบบหยุดบ้างไม่หยุดบ้างที่เคยเกิดเนะี่ยกุศลที่เคยเกิดเราจะทําอย่างนี้ตลอดเลยนะอ้าวช่วงนี้กุศลทามจังเลยพออ้าวพักแล้วเรามีการพักด้วยนะพักไม่ให้ศีลสมาธิ ป, ปัญญาเกิด อา้าวแล้วอะไรเกิดทีนี้บาปก็มาแทรกก็แค่นั้นเองก็ชีวิตมันมี2 ส, ส่วนแค่นี้เองถ้าบุญไม่เกิดบาปก็เกิดกุศลไม่เกิดก็อกุศลเกิดใช่ไหมเพราะเราไปคิดแบบนี้ไงเราไม่ได้สมาทานเราไม่ได้เพียรเราไม่ได้กล้วแกล้าว่าไม่ได้เไหมเราจะไม่หยุดเราจะไม่ยอมให้บาปอากุศลมาแทรกแล้วแต่เราก็จะเจริญกุศลให้ติดต่อและต่อเนื่อง แต่ก่อนเรามีเวลาพักวันนี้ไปอาบน้ําก่อนขอไม่ให้เกี่ยวแจริงไปอาบน้ําให้กุศลเกิดก็ได้แต่ไม่ทําไปเข้าห้องน้ําให้กุศลเกิดก็ได้ไม่ทําไปถอนหญ้าให้กุศลเกิดก็ได้ไปเย็บผ้าให้กุศลเกิดก็ได้ไปขับรถให้กุศลเกิดก็ได้เตี้ยไหมล้อไปกินข้าวให้กุศลเกิดก็ได้ ไปสนทนากับเพื่อนให้กุศลเกิดก็ได้ไปทํากิจกรรมใดๆของชีวิตให้กุศลคือศีลสมาธิปัญญาเกิดก็ได้แต่ก่อนพ่อไปเข้าใจว่าผักเราก็เลยแยกแยกว่าเอ้ยเวลานี้กําลังทําอาหารบอกเจริญกุศลไม่ได้ไอ้นี่มันไปนขั้นกันซะทีพอเจริญกุศลไม่ได้อากุศลก็ต้องมามาทําอาหารแทนเป็นตัวผักดันในการทําอาหารหุงข้าวแทนไปนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนพ่อเราจเจริญกุศลแบบไม่ติดต่อ กุศลมันก็เลยมาเป็นบางช่วงแหมช่วงไหนกุศลมาหน้าตาฟองใสช่วงไหนอะกุศลไม่มาหน้าตาเครียดกบกัดร่วมความหลงความงง่ความไม่รู้มาเต็ไมไปหมดเราคิดอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ ก, กล้าๆต่อไปแล้วสมาทานาฐาาน ก, กล้าๆนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เจริญกุศลเป็นตอนๆเป็นพักๆเป็นขยุกขยุกเป็นขย่อมขย่อมพราเข้าใจไม่ภาษาไม่รู้จะสื่ อ, อยังไง เพรา็ชอบอี้อช่วงนี้พักก่อนน่าจะหยุดเราจะเจริญกุศลให้ต่อเ น, นื่องทานศีลภาวนาต่อเ น, นื่องจะทํำยังไงไอทานศีลภาวนาต่อเ น, นื่องนี่จะทํำยังไงท่านพูดเหมือนเหมือนได้แต่ทําไม่เป็นลงดีเทลไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้นี <c oughs> ่เป็นปัญหนาอ <c oughs> ย่ให้เล่า เออทุกคนก็เป็นอย่างนี้อา้าวยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งพอเป็นตัวอย่างทำกับข้าวในขณะที่ทำกับข้าวเราทำให้ใครทำให้ตนเองหรือทำให้คนอื่นถ้าทำให้คนอื่นเอา้าก็เราก็จะบำเพ็ญทานกุศลแล้วก็เจตนาจงใจตั้งใจในการที่จะทำเอาทาดูแลสุขภาพตนเองเป็นอะไรเป็นศีลกุศล <c oughs> เป็นจารีตเนี่ย เป็นวัฒนธรรมประเพณีแม้อริยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดูแลร่างกายตัวเองให้สะอาดแข็งแรงให้แข็งแรงให้มีได้กินอาหารที่มีคุณภาพจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุยืนยาวอ้าวนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ประมาทเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ทานให้ศีลกุศลมันให้ผลปกติเนี่ยบางคนเนี่ยศีลกุศลข้อแรกเนี่ยที่เรารักษามาเนี่ย มันไม่รู้จะให้ผลยังไงเพราะผู้นั้นเป็นคนประโยคะวิบัติคือเพี้ยนผิดแทนที่จะเพี้ยนในการหาอาหารดีๆใส่ร่างกายก็ดันไปเพี้ยนเอาอาหารไม่ดีใส่ร่างกายศีล ก, กุศลข้อแรกที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่ยืนมันก็ไม่มาสิมันก็ไม่ให้ผลไปปิดช่องมันซะนี่เพราะความไม่ฉลาดในปัจจุบันโอ้ตอนนี้เราฉลาดแล้ว เราจะให้ศีลกุศลคือความเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุยืนยาวเนี่ยให้ผลก็คือนำอาหารที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ร่างกายโอเป็นศีลอย่างหนึง่งไม่เพียงเราจะให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวเพื่ออะไร <S <S เพื่อจะได้เจริญในศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิ ด, กดให้เกิดยิ่งย่งขึ้นไปจะได้มีกําลังในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าทรงบอกไว้โอ้มีกําลังใจในการทําอาหาร นี่เขาเรียกอะไรปฏิบัติธรรมย่างนี้ยังอย่างนี้เป็นต้นรายละเอียดเป็นเยอะมากอายกตัวอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเออเราก็รักษาสีนข้อที่สองมาอย่างดีนะให้ทานก็ให้สีนข้อที่สองก็ไม่เคยไปลักไปขโมยอะไรของใครเลยแต่ไม่ฉลาดในการเปิดช่องให้ผลของทานและศีลข้อสองมันให้ผลเช่นฉันเป็นข้าราชการฉันก็ เปิดช่องแค่ข้าราชการเนี่ยถ้าบำนาญก็เปิดช่องแค่บำนาญ เ, เดือนละสองหมืนก็สอง0มืนอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับการเปิดช่องเล็กๆมีบ้านก็มีหน้าต่างเล็กๆอยู่ช่องเดียวแล้วแต่ลมมันมาช่วงไหนเดือนหนึ่งมันพัดทีหนึ่งก็ได้ได้ให้ผลทานกุศลก็ให้ผลช่องทั้งๆที่ลมมันพัดอยู่ใช่ไหมคนบางคนไม่ฉลาดเนี่อ๋อเราก็ เป็นคนให้ทานมาเราก็คนศีลข้อที่สองเราก็ดีอยากจะได้เลยเปิดลมมันมาตอนกลางวันลมมันมาทางทิศนี้ก็เปิดช่องนี้รับตอนบ่ายมาช่อง น, นี้ก็เปิดช่องนี้รับเย็นเปิดช่อง น, นี้รับกลางคืนเปิดช่อง น, นี้รับตอนเช้าเปิดช่อง น, นี้รับโอ้โหทานกุศลมันก็ไหลเข้ามาหาใหญ่ทั้งๆ ท, ที่กุศลรักษทํามาตั้งนานแต่ไม่ฉลาดในการเปิดช่องให้กุศลมันให้ผลมีทัศนคติที่คับแคบก็เปิดเท่านี้แล้วก็บอก มักน้อยแท้ที่จริงไม่ฉลาดในการที่จะให้ทานให้ผลให้ให้ศีลข้อที่สองมันให้ผลเขาจยังเนี่ยก็เรื่งไม่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมมันจะชาญฉลาดขึ้นมาจะเข้าใจในกระบวนการเปิดช่องให้กุศลให้ทานกุศลให้ผลให้ศีลกุศลให้ผลนี่ลงรายละเอียดแล้วนะเอายกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งคนบางคนไม่ฉลาดในการจะเปิดช่องให้กับ ศีลข้อที่3ให้ผลทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่เคยประพฤติผิดในกรรมเลยนะเอาทั้งงดเว้นถ้าประพฤติทั้งงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมจะได้อะไรเอาจะได้ครอบครัวที่สมัครสมานสามคัคคีไม่แตกแยกได้ทรัพย์มาก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ได้ความเมตตาอายทั้งหลายเหล่านี้ยไม่ใช่โอ้ฉันก็รักษาศีลข้อ2แล้วไม่ได้เปิดช่องให้กุศลนี่ให้ผ ล, ผลวิธีเปิดช่องคือพอมีครอบครัวก็ ปฏิสัมพันธ์มีการพูดเป็นสื่อสารเป็นทำเป็นกับคนที่อยู่ในครอบครัวมีวิธีการที่จะทําให้ครอบครัวอยู่แบบอบอุ่นมีความสุขมีกิจกรรมที่ดีในการทําให้ครอบครัวนั้นได้มีเรื่องราวดีๆในทํากิจกรรมร่วมชีวิตพูดกับเขาเป็นทํากับเขาเป็นคิดกับเขาเป็นโอ้ยกุศลที่ทําให้ครอบครัวสมัครสมานสามปีให้ผลอย่างใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าฉันรักษาศีลแล้วก็ อะไรอะแข็งทื่อๆเมื่อกี้ฉันจะใช้คาว่าเบือบ่อๆบื่อทื่อๆไม่เปิดช่องแล้วกุศลมันจะให้ผลได้อย่างไรแล้วก็บอกว่าว้าวรักษาศีลในพุทธศาสนาไม่มีผลเลยเขาจะยังเขาเรียกปฏิบัติธรรมไม่ถูกทีนี้ ยิ่งการที่จะให้ทานกุศลให้ผลก็ต้องเป็นศีลกุศลให้ผลก็เป็นภาวนากุศลคือสมาธิภาวนาแลือปัญญาภาวนาก็ต้องฉลาดในการประกอบนั้นคนบางคนไม่ฉลาดในการประกอบความเพียรตรงเนี้ไม่ฉลาดในการที่จะเจะเริญนนี้เนี่ยสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ทำลายปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่ได้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกทาลายไปเพราะอะไรเพราะไม่ ไม่เปิดโอกาสให้บุญระดับสมาธิบุญระดับปัญญามันให้ผลก็เลยงงๆกับชีวิตปฏิบัติไม่ถูกจนจะแล้วก็สักว่าหายใจทิง้งแล้วก็ตายไปน่าเสียดายศักยาภาพมองเห็นหรือยังฉะนั้นถ้าฉลาดและเป็นสามารถจะเปิดโอกาสให้ทานให้ผลได้ภาวศีลให้ผลก็ได้ผลของศีลในผลผลของภาวนาทั้งสมาธิภาวนาและปัญญ า, า, าให้ผลได้ทุกระดับ ทั้งหมดเหล่านี้รู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่พูดเรื่องภาวนาเพราะจะเห็นนี่ยัง <c oughs> ทีนี้ประเด็นต่อมาพูดถึงวิริยะเนี่ยเมื่อสักครู่ปกติวิริยะก็เราก็มีกันอยู่เพียรทํากิจกรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีผลแบบธรรมดาไม่วิเศษแต่ถ้าภาวนาวิริยะเนี่ยถ้าเป็นแกล้าอาถารและเพียรแบบติดต่อต่อเนื่อง เห็นไหมเพียนที่จะทำให้ทำให้กุศลเกิดอย่างต่อเนื่องได้ไม่แต่ก่อนเราไม่ได้ตั้งเจตนาว่าไม่ได้ตั้งความกล้าไม่ตั้งส ม, มประทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะให้กระแสชีวิตเนี่ยเราจะเพียนในการให้กระแสชีวิตดาเนินไปตามศีลสมาธิ ป, ปัญญาให้ติดต่อและต่อเนื่องไม่เป็นพักๆเหมือนเก่ากอ่อเก่าก่อนเนี่ยช่วงนี้หยุดช่วงนี้มา ก็อยู่อย่างนี้นโดยมากหยุดมากกว่ามาแต่ต่อไปไม่ได่าเราจะทําทุกขั้นตอนทุกกระแสชีวิตให้ดําเนินไปตามศีลสมาธิ ป, ปัญญาศีล ส, สมาธิเราเคยเกิดหมดเลยนะกุศลพวกนี้เคยเคยมีเคยเกิดกับเราเคยมีศรัทธาเคยมีความเพียรเคยมีสติเคยมีหมดเลยนะแต่มันมาเป็นพักพักเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเกิดอย่างต่อเนื่องไม่ได้สมาทานที่จะให้เกิดอย่างต่อเนื่อง เช่นบางทีตอนไปสวดมนต์อ้โหสมาธิดีจังแล้วเราก็มีความรู้สึกวา่าพอแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจอย่างอื่นพอไปทํากิจอย่างอื่นสมาธิไม่มาแล้วพอเราไปคิดอย่างนั้นไงไปคิดว่าเราใช้เพียงตอนสวดมนต์เท่านั้นแต่ตอนที่เราจะมาทําการงานอื่นๆเราจะไม่ใช้สมาธิอย่างไงมันก็เลยไม่มามันก็เลยเป็นการเจริญกุศลเป็นพักๆ ที่จริงหลักการแบบนี้ยเขาเรียกว่าไม่เพียนติดต่อไม่บรรลุคนประเภทนี้ไม่บรรลุธรรมพุทธเจ้าบอกแล้วเหตุที่พระ อ, องค์บรรลุเนี่ยข้อหนึ่งของการบรรลุนะพระ อ, องค์ไม่ไม่ย่อท้อไม่ย่อไม่กลัวปัญหาเรื่องปสาทสองพระ อ, องค์ให้ความเพียนมันติดต่อไม่บรรลุได้เลย ก็คือให้ศีล ส, สมาธิปัญญามันเกิดต่อเนื่องเท่านั้นแหละแต่มันจะเกิดต่อเนื่องไม่ได้ถ้าไม่มีตัวความแกล้วกล้าอาถารไปพยุงไว้ทั้งนั้นนี่ก็หลุดออกเนี่ยเหตุการณ์บรรลุเห็นไหมไม่ย่อนย่อไม่ทอ้อ2ก็คือเพียรให้ศีลสมาธิปัญญามันเกิดติดต่อนี่เห็นไหมสมปทานปกตินี่หมายถึงกุศลที่เคยเกิดนะกุศลที่เคยเกิด แล้วเราจะให้มันเกิดอย่างต่อเนื่องจะไม่ให้เกิดเหมือนเก่าเหมือนเก่าๆมันเกิดเป็นพักๆเช่นมาฟังธรรมเกิดพอไปทําอาหารไม่เกิดพอไปขับรถไม่เกิดพอไปอาบน้ําไม่เกิดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมันเกิดตอนฟังธรรมบ้างเกิดตอนที่จะนั่งกรรมฐานบางส่วดมันบ้างไม่พองั้นต่อไปต้องให้เกิดติดต่อและต่อเนื่องหลักการมีแค่นี้นะเอากุศลที่เคยเกิดทีนี้ มันยังมีกุศลที่ยังไม่เคยเกิดระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาที่ประณีต ย, ยิ่งๆขึ้นไปเช่นฌานกุศลเช่นมรรคกุศลมันยังไม่เคยเกิดเราจะเพียรแบบกุศลธรรมดาให้ติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาไปสู่กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล ะ, จะเจริญภับุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนประชุมในอริยมรรคเพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ชัดเลยใช่ไหม ถ้ามองนี้โอ้โอเคเข้าใจแล้วแต่ก่อนไม่เข้าใจกี่จะสามารถประธานพูดกันจางแต่พอพูดอย่างนี้เอามาใช้ได้ในะชีวิตจริงแล้วอ๋อมันขาดตรงนี้เองทําไมการปฏิบัติธรรมเราไม่รลดนะไม่มีภาวนาวิริยะไม่ทําภาวนาไม่ทำวิริยะไม่ทําภาวนาให้ตอ่ตอต่อได้เราไปขั้นระหว่างเวลานี้ทําเวลานี้ไม่ทําเวลานี้เจริญเวลานี้ไม่เจริญและเราเข้าใจผิดหมด ว่าตอนสวดมนต์เท่านั้นเจริญกุศลได้ตอนนั่งกรรมฐานเท่านั้นเจริญกุศลได้แล้วไปเข้าใจว่าเวลาอื่นมันเจริญไม่ได้นี่เข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาอื่นมันดันมากกว่าเวลาสวดมนต์แล้วมันก็เลยเจริญกุศลน้อยแล้วก็ทำบาปเยอะเพราะวันวนหนึ่งมันไปทำอย่างอื่นมากเนี่ยมากกว่านั่งกรรมฐานถามว่านั่งกรรมฐานวันละสามสิบนาทีครับอ่าเหลือนั่นเนี่ย ทำกิดอย่างอื่นแปลว่ากุศลไม่เกิดโอ้โหขาดทุนเยอะเลยเนี่ยวิธีคิดแบบนี้ที่มันไม่บรรลุวิธีคิดแบบนี้เพื่อเพื่อไม่ถึงไม่เข้าถึงธรรมะวิธีคิดเหล่านี้ถึงไม่ฉลาดในพระธรรมเราก็เลยนึกเอาลนะเวลาเราไปทำอย่างอื่นเขียนหนังสือเราก็นึกว่านี่เขียนหนังสือแต่ไม่สามารถทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้เพราะไม่เข้าใจ เราสามารถให้ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นตัวผลักดันในการเขียนได้ใช้โลภะโทสะโมหะผลักดันในการเขียนก็ได้แต่ที่ผ่านมามันไม่ไม่ใช้ตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวผลักดันให้การเขียนในการอ่านในการทํากิจกรรมดันไปให้ตัณหามานตริถิโลภะโทสะโมหะเป็นตัวผลักดันที น, นี่มันก็เลยได้เป็นผักๆมองเห็นได้ยัง อ้าวต่อไปก็คือสติเมื่อกี้ตัววิริยะก็าทำลายทําลายโกสัจฉะอกุศลความเกียดค้านได้ความไม่ติดต่อความเพียรไม่ติดต่อเขาเรียกเกียดคา้านเช่นเวลาเดินกุศลมาปัป๊บปั๊บปัใจห้านาทีแล้วแวะไปหาอากุศลเนี่ยเขาเรียกว่าเกียดคา้านโกสัจฉะเกียดคา้าน กุศลมันเดินไปตามทางเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเดินเดินเดไปพักหน่อยเี่ยเลีเเ้ยวไม่มีอุชุ ก, กตาไม่มีความซื่อตรงไม่ไม่ปฏิบัติธรรมแบบตรงไปสู่มรรผลที่พานเขาเรียกปฏิบัติธรรมเหมือนเหมือนคดเหมือนหางไถหรือว่าคดงอเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือ คดเหมือนปัสสวาวะโคเขีนโคมันเดินเมือนเดินปัสสวาวะไปด้วยมันฟึดฟึดฟึดฟึดเนี่ยนะก็บางคนเวลาปฏิบัติธรรมะเดินตามศีลสมาธิปัญญาปุ๊บแหวะกลับมาไหนแวะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยมันก็กลายเป็นไม่ตรงไม่ซื่อตรงไม่อุชุไม่เป็นอุชุ ป, ปฏิปันนาบุคคลไม่ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน ปฏิบัติคดเหมือนหางไถคดเหมือนปัสสาวะโคคดเหมือนพระจานทรย์ครึ่งเสี้ยวเหมือนเสี้ยวพระจานทร์เคยเห็นพระจานทร์ครึ่งเสี้ยวไหมงอเลยนะย <c oughs> ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ตรงไม่ดําเนินไปตรงไม่ซื่อตรงมีมายาสาไถยะเย <c oughs> <c oughs> อะพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปแวเนี่ยหยุดหลวงพ่อโทสะโมหะเอาไปกินบ้าง เอากลับเข้ามาใหม่เป็นศีลสมาธิปัญญาเอาราคาโทรศัพท์มหาเ อ, าอื่นแล้วอยู่อย่างนี้ยคดไปโคตมาโคตไปโคตมาอย่างนี้ตรงไหมไม่ตรงไม่เป็นอุชุกะไม่เป็นอุชุปฏิปันโนไม่เป็นการปฏิบัติดีด้วยไม่เป็นสู่ปฏิปันโนด้วยปฏิบัติไม่ดีด้วยเพราะปฏิบัติดีเนี่ยจะต้องปฏิบัติเนี่สอดคล้องเนี่ยดเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาจริงๆ ไม่เป็นอุชุปริบันโนไม่เป็นญาญาปริบันโนด้วยก็คือไม่ปฏิบัติเพื่อเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์สู่ความเพียทุกไม่เป็นสามีจิตปฏิปันธะบุคคลด้วยไม่ปฏิบัติตามสมควรไม่สมควรแก่การบรรลุธรรมไม่มีกรคมปัญญาตาไม่ควรต่อการบรรลุธรรมสมควรต่อการไม่บรรลุ อย่าแปลกอย่าแปลกใจว่าทำไมมันจึงไม่ไม่พัฒนาเพราะไม่มีภาวนาวิเดียะอะต่อไปสติสติธรรมดากับสติภาวนาภาวนาสติมันต่างกันยังไงสติธรรมด า, าก็นี่ไงเราระลึกเรื่องนั้นได้ระลึกเรื่องนี้ได้จำเรื่องนั้นได้จาเรื่องนี้ได้ดึงเรื่องราวต่างๆมาไปทำตรงนู้นไปทำตรงนี้ที่เร า, เาสติเนี่ย เอาไปใช้ในการงานธรรมดาเสียหมดว่างั้นเถอะเป็นคนมีสติดีเรียนหนังสือแปลเรื่องนั้นระลึกโอ้โหทำตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอทำได้หมดแล้วมันเป็นการงานที่เกี่ยวกับการโลกโลกไปเสียหมดสติลักษณะอย่างเงี้ยมนุษย์ใช้กันจังเนี่ยใช้สติในทางแท้ที่จริงศักยภาพของสติเนี่ยมันมีพลังมากกว่านั้นเยอะ แต่ใช้สติเพียงแค่ 20% สซตสติจริงๆมีร้อยเนะใช้ 20% นะคือเอามาใช้การงานต่ำๆการงานด้วยๆการงานอะไรทั่วๆไปการงานในการฟังการเรียนแค่นี้ได้แค่นี้แหละเาัก็ เ, กเป็นคนดีกับเขาคนหนึ่งเกิดมารอวันตายแล้วก็ตายไปแท้จริงสติมีศักยภาพนั้นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญา อันนี้เหมือนกันสติถ้าสติที่เป็นภาวนาสติเป็นสติภละเขาต้องทําลายมุตตสติอกุศลคือการหลงลืมนะการหลงลืมการหลงลืมหมายความว่าเวลาจะเดินทานกุศลก็ลืมเลอะเลือนจําไม่ได้รักษาศีลมายังไงมีความสดชื่นผ่องใสไงลืมเลอะเลือนพอเดินพรไอ ภาวนาเนะกุศลเนอะกำหนดกําหนดหน่อยเลอะเลือนตลอดเลอะเลือนก็นเหมือนคนเหมือนเด็กเครียกเด็กสมาธิสั้นเวลาจะป้อนข้าวให้กินอ้ามกินปั๊บวิ่งไม่รู้ไหมครัทั้งตอนนี้ตอนกินต้องกินอาหารก็วิ่งไปเหมือนเวลาสวดมนต์ปากสวดใจวิ่งไปทั่วสติเลอะเลือนเพราะอะไรสติมันมันอ่อนแอจัด มันถูกความหลงลืมสติโจมตีทำลายตลอดทำลายตลอดระลึกกุศลระลึกความดีระลึกอะไรไม่ได้จับดึงตรึงอะไรไม่ได้จะไปดึงความดีมาให้ให้ปัญญาสอบสวนไม่ไม่ไมทำกฤฤฤฤฤิจไม่ได้ตรึงอารมณ์มันไว้แยกไม่ออกว่าอารมณ์นี้ดีหรือไม่ดีอารมณ์เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาควรจะจับอารมณ์มันดึงอารมณ์ไว้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจแยกไม่ออกเลยมันเลอะเลือนจัดมองเห็นไหมนี่เรื่อสติอ่อนเอง มุทัตสติมุทัตสติมุทัสตสตินี่ก็คือตัวมอมะสระ อ, อุปตอประตักแล้วก็ทอสันฐานไม่หันมุทัตสติหลงลืมเลอะเลือนฟันฟ่นเฟือนเลือนหลงและลึกถึงคุณความดีไม่ออกและลึกไม่ได้ทําไปแล้วก็ระลึกไม่ได้ ทำไปแล้วก็ระลึกไม่ได้และแม้อารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าก็แยกไม่ออกว่าอารมณ์นี้ควรจับควรดึงไว้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะทำให้สภาพจิตใจหรือปัญญาได้สอบสวนวิจัยแยกแยะและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปมันแยกไม่ออกมันเลอะเลือนจัดเห็น ไ, ไหมคนบางคนแยกไม่ออกเลยรับมาทั้งหมดเลยอารมณ์อะไรเข้ามาเส็เสร็จรับหมดแยกไม่เป็นเลย น erm ี่เล wow> wow> ื่อนจัดเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นอย่งงนั้นยิ่งอายุมากขึ้นในตัวนี้จะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสภาพร่างกายรูปธรรมรูปธรรมที่เริ่มเริ่มเสื่อม ก็เลยเป็นปัจจัยให้กับกลุ่มนามมาทำคือสติทั้งหลายทำกิจได้ไม่คล่องแคล่วเนาะนั้นต้องรีบในการที่จะฝึกสติ <c oughs> นั้นภาวนาสติก็คือเป็นสติที่มีกำลังมากภาวนาสติไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นด้วยการที่จะมณสิกาในการที่จะให้อาหารเช่นฝึกในการฟังธรรมในการระลึกธรรมะ คำต่อให้เกิดความเข้าใจฟังได้เกิดความเอบอิ่มเนี่ยคนประเภทนี้เขาเรียกฝึกสติฝึกสติหรือทํากิจใดๆก็แล้วแต่ก็ฝึกในการที่จะอยู่กัดในเรื่องนั้นระลึกในเรื่องนั้นจับในเรื่องนั้นไม่ให้เรื่องนั้นเนี่ยมันหลุดลอยไปเพื่อให้เมื่อจับในเรื่องใดดึงในเรื่องใดไว้เพื่อให้สมาธิแนบชิดติดในเรื่องนั้น มื่แนบชิดติดในเรื่องนั้นและเพื่อจะให้ปัญญาได้มาทํากิจในการวิจัยแยกแยะเพื่อจะได้เห็นความจริงของกระแสชีวิตในที่นั้นๆในขณะนั้นๆเออทนี้ก็ชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่าฝึกสติจนกลายเป็นสติภละแล้วก็ทําลายมุตตสติคือการหลงลืมสติได้อย่างแท้จริงเป็นภาวนาสติก็หมายความว่าออไม่ปล่อยให้การหลงลืมสติมันเข้ามาทํำลาย พยายามฝึกให้ติดต่อและต่อเนื่องหลุดจากเรื่องนี้ก็ไปทำกิจในเรื่องอื่นก็ระลึกจับในเรื่องนั้นเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องไม่ให้สับสนไม่ให้ว้าวุ่นไม่ให้วุ่นวายโอ้โหเป็นคนลาดับเรื่องราวได้ดีมากเช่นเวลานี้จะระลึกลมให้ใจเข้าออกก็อยู่กับลมได้ดีไม่ให้ความหลงลืมมาทำลายได้มีความแกล้วกล้าอาหารมีสติในการระลึกจับตึงตรึงไว จนสมาธิแนบชิดติดในเรื่องนั้นได้ปัญญาสอบสวนได้โดยกําลังของสติเปลี่ยนจากเรื่องนั้นไปสวดมนต์สติก็อยู่กับเรื่องสวดไม่ไปเรื่องไหนเลยเนี่ยจับเรื่องนั้นตึงเรื่องนั้นระลึกในเรื่องนั้นไปอยู่ในเรื่องการเขียนหนังสือก็อยู่ในเรื่องนั้นไปอยู่ในเรื่องการทําอาหารก็อยู่โอ้โหมันใช้สติเป็นหมดเลยทําลายความหลงลืมสติเอาของไปวางไปนั่นที่ไหนกําหนดมาเครื่องหมายโอ้โหทาเป็นหมดเลยทีนี้หลับตาไม่ต้องทอง ไม่เคยไปท่องว่าต้องอย่างนั้นไม่ใช่เหมืนอนโยมอยู่ในห้องโยมนั่งในบ้านของโยมเนี่ยโยมต้องท่องไหมว่าเอาจานวางไว้ตรงนั้นเอาช้อนวางไว้ตรงนั้นเอาโตวางไว้ตรงนั้นเอาผ้าวางไว้ตรงนั้นเอาเงินวางไว้ที่เธอตรงนั้นตู้เย็นวางตรงนั้นโทรทัศน์ไม่เห็นท่องเลยแต่โยมหลับตาเลยลึกเต็หมดนี่คืออะไรนี่แหละมันบ้านของเรา บ้านของเรากระแสชีวิตนี่ก็คือบ้านของเราต้องระลึกให้ได้ว่าอะไรเกิดหรือไม่เกิดคำสอนที่เราจำก็เหมือนบ้านของเรานี่แหละก็ระลึกใช่ไหมเหมือนระลึกของในบ้านนั่นเองไม่เห็นยากเลยบางคนต้องไปท่องท่องท่องมต้องไปท่องหรอกแค่ร ะ, ะลึกบ่อยๆมันก็จำแล้วทำเครื่องหมายไว้มันก็จำแล้วบางคนไปทำเครื่องหมายไว้ข้างนอกมากเกินไปบันทึกแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่บันทึก ทำเครื่องหมายข้างนอกแล้วก็ปล่อยใจเอยเราจดแล้วว่างก็เลยไม่ทำเครื่องหมายไว้ในใจมันก็เลื้อเลือนดิตอนนี้เขาใจยังให้ปล่อยพาลากให้อยู่ข้างนอกไปกลุ่มพวกนี้ไม่พัฒนาสติคนที่พัฒนาสติเนี่ยเขาจดก็ได้เพื่อจะได้ไม่ลืมแต่ในขณะเดียวกันเขาระลึกบ่อยๆไม่ได้เหนื่อยนี่เหมือนยอมจําของในบ้านเน่ยยอมเคไปท่องไหมแม้เงินในธนาคารยังจําได้ดูขนาดนั้นขนาดนั้น เพราะอะไรระลึกบ่อยๆดึงบ่อยๆตรึงจับอารมณ์นั้นบ่อยๆก็แค่นี้เองหลักการง่ายๆใช่ไหมการฝึกสติ ấy. เขายืมตังไปยังจําได้อยู่ไหมแม่นเลยเพราะอะไรท่องบ่อยๆ <laughs> <laughs> ก็ใช่ไงหลักการก็มีแค่นี้เองก็ทําเครื่องหมายไว้ทําเครื่องหมายไว้แค่ทําเครื่องหมายไว้ในเรียบร้อยไปหน้าที่ไหนก็น มากเ่องไปนี่สติพอเห็นนี่ย่างว่าจริงๆสติมันมีอนุภาพมากแต่เราเอาไปใช้ในการงานที่ต่ําต้อยมันก็เลยได้แค่การงานที่ต่ําต้อยแทนที่จริงควรจะไปใช้ในการงานที่ละเอียดแล้วก็พัฒนายิ่งๆพ้นทุกข์ก็ได้แต่เราดันไม่ใช่น่าเสียดายเกิดมาแล้วทิ้งให้สติมันอ่อนแอซะนี่ไปๆมาๆแทนที่จะบรรลุธรรมบรรลุขึ้นสูงคุณธรรมเบื้องสูง กับไม่ใช้เขาให้เต็มที่เขามีศักยภาพร้อยเปอร์เซ็นยอมใช้ไม่ถึงยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็ตายไปในอัตภาพไปในอัตภาพอื่นก็ไม่เข้าใจในการที่จะพัฒนาศรัทธาวิรย <c oughs> ิยะสติน่าเสียดายไหมน่าเสียดายอ้าวตอนนี้ยังทันไหม เอยังโชคดีโชคดีที่ได้ฟังแต่กลับไปก็เลือเล่อนต่อห้ามนะอ้าวต่อไปก็คือสมาธิคือเอกคตาเนี่ยความตั้งมั่นแห่งจิตนะความตั้งมั่นแห่งจิตตัวนี้ตัวเอกคตาเนี่ยก็คือการที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว หรือภาวะที่จิตเจริญสิกมีอารมณ์หนึ่งเดียวหรือภาวะของกุศลแจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวสมาธิในที่นี้ขับเน้นที่กุศ ล, ลนะถ้า ง, งั้นเดี๋ยวเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เช่นจ้องในการที่จะฆ่าสัตว์ยอมเคยตกเบ็ดเคยเห็นก็ตกเบ็ดไหมก็จ้องอนตัวทุนจ้องคอยดูว่ามันจะขยับขยับมาเลยสมาธิ จ้องจะฆ่าสัตว์จ้องจะลักทรัพย์ประพฤติผิดธนกรรมต้องใช้สมาธิหมดเลยอย่างนั้นเขาเรียกมิจฉาสมาธิแต่ในที่นี้ไม่เอาเราจะพูดในเรื่องของสัมมาสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิต ท, ที่เป็นไปกับคุณความดีทั้งหลายในด้านกุศลทีนี้สมาธิเนี่ยภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยภาวะที่จิตไม่ซัดสายตัวเอกคขะตาเนี่ยนอกจากเขาจะทํากิตในการตั้งมั่นแล้วเขายังทําสัมยุต ธ, ธรรม คือทำที่เกิดพร้อมกับเขาให้เกิดความตั้งมั่นทําเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณะขันให้เกิดมีภาวะความตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างี้และถ้าหากการตั้งมั่นนั้ น, นสามารถที่จะตั้งมั่นในอารมณ์นั้นได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องไม่เปลี่ยนอารมณ์เลยลักษณะนี้คือหน้าที่ของสมาธิแต่สมาธิเนี่ยถ้า เป็นสมาธิธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถกําจัดอุทธจักระือความฟุ้งซ่านได้ถ้ายังมีความฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตเนี่ยรับอารมณ์ไม่มั่นกระสับกระส่ายไม่ตั้งเหมือนลมพัดใบไม้หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ําถูกลมพัดต้องก็เป็นริ้วเป็นคืดใช่ไหมกับน้ําที่ไม่ถูกลมพัดต้องเนี่ยมันสงบเย็ยนนั้นสภาวะจิตที่เป็นสมาธิหนึ่งมีพลัง มีกำลังมากเพราะสามยุทธธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารยญาณมีพลังแล้วก็พุ่งไปตรงจิตที่มีสมาธิจะมีพลังแล้วพุ่งไปตรงมีกำลังไม่พอเั้นเหมือนบุคคลขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ปล่อยน้ำให้ไหลลงมาและน้ำที่ไหลลงมาทำเป็นท่อด้วยเป็นท้องร่อง แล้วก็เทน้ําให้พุ่งลงมาจากยอดเขาโอ้โหน้ําจะพุ่งแรงมากแล้วก็พัดพาขยะมูลฝอยให้หลุดลอยไปได้แม่ให้ชั้นใดจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนอย่างนั้นแหละมันไม่พ่ากระจายเหมือนสา์น้ําเป็นวงกว้างถ้าเทาน้ําจากวงกว้างในเขาในภูเขาในยอดเขาไปกระจายเนี่ยน้ํามันไม่มีพลังอะไรเลยแต่ถ้ามีท่อมีท้องร่องเล็กๆแล้วก็เทมาให้มันพุ่งลงโอ้โหแรงมากชั้นใด สมาธิก็เป็นภาวะที่จิตเนี่ยเข้าถึงความสุดยอดอย่างมันพุ่งตรงต่ออารมณ์ต่อเรื่องราวนั้นนั้ น, นมีพลังมากปราการที่สองคือใสใสสะอาดนอกจากว่าแรงไม่พอนะใสด้วยน้ำนั้นใสนอกจากใสไม่พออีกปราการต่อมาคือว่าสงบนิ่งไม่เหมือนน้ำที่สงบนิ่งไม่ถูกลมพัดต้อง น้ำที่สงบนิ่งไม่ถูกลมพัดต้องเนี่ยมั่นคงนะและน้ำนั้นใสด้วยพอใสด้วยสะอาดด้วยสงบนิ่งไม่ถูกลมพัดต้องด้วยและเวลามองลงไปในน้ำจะเห็นปูเห็นปลาเห็นหอยเห็นกุ้งชัดแม้ชั้นใดจิตที่นิ่งสงบเย็นแล้วก็ใสสะอาด ไม่ถูกลมพัด ต, ต้องไม่อยังใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้นั้นจิตประเภทนี้ที่เป็นสมาธิแบบนี้จึงเหมาะแก่การเอาไปใช้งานในการเดินปัญญาอย่าแปลว่าทำไมปัญญาจึงสามารถต่อยอดจากสมาธิและไปเห็นความจริงของสิ่งตั้งหลายได้เพราะหนึ่งเหมือนเรามองไปในน้ำที่สงบนงน้านั้นเป็นน้าไม่ขุน ไม่มีสีดำสีแดงเข้าไปทำให้เหลอะเทอะไหมก็คือน้ำนั้นไม่ถูกกามมาฉันทะไปผสมคือสีแดงสีดำสีขาวเ ส, ส, สีเหลืองวินต้นน้ำนั้นไม่ถูกพยาบาทก็เหมือนว่าไม่เหมือนกับ น, น้ำที่เอาไปตั้งเตาใส่กระทะแล้วตั้งไว้ในเตามันเดือดพล่านแต่น้ำมันสงบ มันสงบมันเย็นไม่ถูกมันไม่ถูกพยาบาทเข้าไปกุ้มรุมน้ำถึงสงบและเย็นใช่น้านั้นไม่ถูกจิตนั้นไม่ถูกถีนะมิท่าไปกุ้มรุมทีนามิท่าเนี่ยมันเป็นความมืดเป็นความมืดเหมือนสภาพจิตใจที่มีจอกแหน่แสภาพน้าที่มีจอกแหน่ปกคลุมมันมองอะไรไม่เห็นหรือไม่ถูกอุทธจักกุุจกักก็คือลมที่พัดต้องน้ำนี่ถูก ลมพัดต้องเก็กระเพื่อมมองอะไรก็ไม่ชัดหรือว่าวิจิกิจฉาก็คือน้ำที่มีโคลนตมและตั้งในที่มืดถึงแม้จะใส่ภาชนะโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องฉะนั้นการมาฉันทาพยาบาททีน้มิทะาอุตติจักขุกุจกักวิจิกิจฉานี่ไม่กุ้มรุมเป็นจิตที่เป็นสมาธิใสสะอาดสงบเย็นแล้วก็ไม่ถูกลมพัดต้องเป็นน้าที่เหมาะ แกการที่เราจะมองดูว่าในนั้นมีปลามีหอยมีกุ้งที่บินที่ที่แวกว่ายไปมาแม้ชั้นใดจิตที่มีสมาธิจึงเป็นจิตที่เหมาะแกการเอาไปใช้งานในการพัฒนาปัญญาก็ไปเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่อยู่แค่สมาธิไม่ใช่ได้สมาธิแล้วเกิดความสุขจาสมาธิแล้วก็เลยกลายเป็นสมาธิกล่อมแล้วก็เพลินลุ่มหลงไก็กลายเป็นผิดหลักพุทธศาสนาไปอีก พุทธศาสนาสมาธิเป็นปฏิบัติการเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาอีกทีนึงยังไม่จบเพียงแค่สมาธิพุทธศาสนานั้นต้องต่อยอดจากสมาธิเข้าไปถึงปัญญาใช่ไหมฉะนั้นจึงมีปัญญาพละนั้นสมาธิเขากําจัดความฟุ้งซ่านประการต่อไปปัญญาปัญญาพละก็กําจัดสัมโมหะคือความมัวเมาลุ่มหลงความมืดบอดความไม่ชัดความไม่รู้ไม่รู้รอบไม่รู้ชัดไม่รู้โดยประการต่างๆเนี่ยฉะนั้นในตัวปัญญาก็ไปกําจัด ความมืดบอดความหลงความไม่รู้ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแต่ปัญญาจะเกิดได้ก็ในภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวและเป็นสมาธิตั้งมัน่นถึงจะเป็นปัญญาที่ละเอียดอ่อนเป็นต้นได้นั้นตรงนี้ต่างหากใช่ไหมเราจะเริ่มเห็นว่าศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เราควรจะทําให้มีให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนากุศลธรรมยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปนั้นก็จะต้องเข้าใจตัวปัญญาให้ชัดว่าปัญญาจะไม่เกิดกับจิตที่พุง่งซ่าน ปัญญาจะไม่เกิดกับจิตที่หลงลืมสติปัญญาจะไม่เกิดกับจิตที่หดหูท้อทรนปัญญาจะไม่เกิดกับจิตที่ไม่มีความเชื่อมั <c oughs> ่นเจอมั้ยล่ะนั้นศรัทธาเรียสติสมาธิต้องทำเป็นปัญญาปกติกับปัญญาที่เป็นภาวนาปัญญามันต่างกันปัญญาปกติที่เราไปใช้ในการงานต่างๆทั้งหลายเป็นต้น ก็ใช้งานการงานห ย, ยาบหยาบแต่ถ้าปัญญาที่เป็นภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่อง mm. เขาสามารถไปเจาะทะลุทะลวงเข็นทุกข์ขั์ตามความเป็นจริงแล้วก็ละสมุทัยไม่ให้เข้ามาสู่ในใจได้กําหนดนิโรธชัดแล้วก็อบรมและเจริญสัมมาทิฏฐิหรือเจริญอริยมรรคได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อเมื่ออะไรมันจะหลงทางเขาเห็นทันทีเมื่อกระแสะความคิดหรือการดําเนินชีวิตจะออกนอกมชมาปริบธาปัญญาจะ ชัดทันทีว่านี้ไม่ใช่ทางนี้ใช่ทางแล้วก็จะดำเนินไปตามมัชฌิ ม, มาปฏิปทาที่ชัดนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้พอเห็นไหม <c oughs> อาจ า, ายรยา์รยบบยไม่เหมือนกันที่จริงมันมีสุตตะมยะปยัญญาจินตามัจะปัญญาแล้วก็ภาวนามปยาปัญญาปัญญาสามระดับคําว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยหมายความว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการ ฟังคือเมื่อฟังแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ฟังนะั้นนะ่ยรู้อัฏฐารู้ธรรมะในเรื่องนั้นชัดเจนขึ้นนี่เขาเรียกสุดตะถ้าจินตาก็หมายความว่านอกจากฟังแล้วก็สามารถเอาไปคิดต่อวิจัยต่อได้ลึกกว่ากว้างกว่าที่ฟังมาคือทะลุทะลวงได้มากกว่ากว้างกว่าได้สาระครอบคุมกว่าที่ฟังมานี่เขาเรียกว่าพัฒนาถึงจินต์ตา าภาวนาก็หมายความว่าอาศัยทั้งสุตตะและจินตะนี่แหละเป็นฐานสามารถไปพัฒนาจนสามารถไปเห็นประจักษ์ชัดได้ด้วยอย่างแท้จริงคือปัญญาที่ประจักษ์ของจริงขึ้นมาเล ย, เ, ยเมื่อประจักษ์ของจริงขึ้นมาได้อย่างแท้จริงนั่นก็เรียกภาวนามะยะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากอาศัยสุตตะและจินตะแต่อยูอยูเนี่ยไปนั่งสมาธิอย่างเดียวให้ภาวนามันเกิดปัญญาภาวนานเกิดมันเกิดไม่ได้ คุณต้องมีสุดตาเป็นฐานและต้องมีจินตะเป็นฐานในการลึกกว่าเดิมแล้วก็ต้องประจักษ์แจ้งด้วยภาวนามยปัญญาที่ไปเห็นประจักษ์ชัดประดุดดังเห็นเห็นเห็ น, หนทับทิมหรือเห็นเห็นเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือสุดตาว่าแก้วมณีเป็นแบบนี้แบบนี้ฟังเข้าใจจินตาว่าโอ้เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะละเอียดลึกขึ้นยังไงเห็นหมด พอภาวนาปุ๊บเหมือนแแบฝ่ามือมาเห็นทัพทิมขึ้นมาจริงๆนี่ก็เรียกภาวนาประจักษ์เห็นชัดเลยอย่างนั้นนี่ก็ เ, เรียกภาวนามายปัญญาเขาจะยังโอเคพอจะเข้าใจนะนั้นนั้นไม่มีสุดตะไม่ได้จะจินตะเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสุดตะดังนั้นเป็นการจินตะเลอะเทอะมันคิดโดยไม่มีฐานของสุดข้อมูล คนการอ่านการฟังการสอบถามอะไรก็แล้วแต่ทีนี้คนที่ไม่ต้องอาศัยสุตตะคือคนที่เป็นระดับพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านบําเพ็ญมาจนเต็มแล้วท่านเห็นอะไรท่านเข้าใจจินตะเกิดโพนาเกิดทันทีเลยฉะนั้นฉนั้นอย่างเราเราไม่ได้ขาดสุตตะพังไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นเอง นี่คือความเข้าใจผิดถนัดเพราะเราไม่ใช่บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจา้าเข้าใจนะเข้าใชัดเจนไหม